บทที่ห้าสิบสามเกิดมาเพื่ออะไรทำความดีเพื่ออะไรสายันหาการวันนั่นเองพระมหาเถระประธานสงแห่งอโศการามมีสมเนนน้อยเป็นปัจฉาสมณนะได้ขออนุญาตเข้าเฝ้าเยี่ยมพระอาการแห่งพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นที่รักของทวยเทพเมื่อได้รับพระบรมราชานุมัติแล้วท่านก็เข้าสู่ที่ประทับแห่งจอมจักรพรรดิด้วยอาการสำรวมเยี่ยงสมณะที่ดีทั้งหลายพระเจ้าอาโศกทรงปราบปลื้มพระไตยที่พระมหาสมณะมาเยี่ยมในอสันะสมัยเช่นนี้เมื่อการถามตอบเรื่องพระอาการล่วงไปแล้วจอมคนแห่งนคนปรปาตาลีบุตรจึงตรัสถามว่า พระคุณเจ้ามนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไรขอถวายพระพรปัญหากรรมนี้ตอบได้หลายแง่บางคนบอกว่าเกิดมาเพื่อตายบางคนว่าเกิดมาเพื่อทุกข์บางคนว่าเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเพราะชีวิตมนุษย์เป็นเหมือนสนามทดลองแรงกรรมที่ว่าเกิดมาเพื่อตายนั้นเพราะทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตาย หรือไม่ต้องการตายก็ต้องตายเสมอกันหมดแม่บุคคลในโลกที่ว่าเกิดมาเพื่อตายนั้นเพราะทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องการตายหรือไม่ต้องการตายก็ต้องตายเสมอกันหมดแม้บุคคลในโลกจะเหลื่อมล้ำตาำสูงกันในเรื่องใดๆบ้างก็ตามแต่เรื่องที่บุคคลเสมอกันนั้นก็คือความตายซึ่งไม่เคยเว้นหรือไว้หน้าใครเลย ที่ว่าเกิดมาเพื่อทุกนั้นเพราะทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องได้รับทุกหรือไม่ต้องการก็ตามก็จะต้องผ่านจะต้องพบกับความทุกข์อยู่เสมอจะต่างกันก็เพียงมากหรือน้อยกว่ากันทุกคนกระเสือกกระสนกันอยู่ในทะเลทุกขดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือพบทั้งสามได้แก่การพบรูปพบอรูปพบ มนุษย์ทั้งหลายก็ตกอยู่ในภาวะดิ้นรนแม้เขาจะมีอาการเสมือนว่ามีความสุขแต่เขาก็ตกอยู่ในห่วงแห่งความดิ้นรนน่าสงสารน่าสังเวชสลดจิตเป็นที่ตั้งแห่งความกรุณาของพระอริยเจ้าทั้งหลายสำหรับส่วนตัวของพระคุณเจ้าเล่าเห็นว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรพระราชาตรัสถาม สำหรับตัวของพระคุณเจ้าเ่าเห็นว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรพระราชาตรัสถามขอถวายพระพรอาตมาภาพเห็นว่าคนเราเกิดมาถ้าตั้งเข็มชีวิตถูกก็ควรตั้งใจว่าเกิดมาเพื่อขึ้นให้ถึงความสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์เพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์พระเถระนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง โปรดวิสัชนาต่อพระคุณเจ้าพระราชาตรัสอัตมาภาพหมายความว่าความเต็มบริบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์นั้นเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์บางคนเป็นมนุษย์แต่เพียงหนึ่งส่วนในร้อยส่วนอีก9ก้าสิบก้าส่วนเป็นอย่างอื่นไปคือส่วนแห่งสัตว์เดรัจฉานผสมอยู่บ้างมีส่วนแห่งเปรตผสมอยู่บ้าง มีส่วนแห่งเทวดาผสมอยู่บ้างหนึ่งร้อยส่วนแห่งความเป็นมนุษย์จึงถูกแบ่งแยกไปในร้อยส่วนบางคนก็เป็นได้ห้าสิบส่วนบางคนได้เจ็ดสิบห้าส่วนคนไหนที่เป็นมนุษย์เต็มร้อยส่วนเขาจะเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เต็มอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงพระนามว่าอะระหังนั้นโดยความหมายหนึ่ง หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์เต็มไม่ขาดตกบกพร่องเลยอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตอันยืดยาวนี้ผู้ใดมั่นเก็บสะสมคุณงามความดีผู้นั้นจะต้องเป็นมนุษย์สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่เต็มเข้าสักชาติหนึ่งเพราะความดีเต็มเปี่ยม ที่กล่าวมาในบั้นท้ายนี้เป็นความเห็นของพระพุทธเจ้าหรือขอถวายพระพรพระเถระรับพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสไว้บ้างหรือไม่ว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรขอถวายพระพรตามหลักฐานพระองค์ตรัสว่าพระองค์เองอุบัตมาเพื่อประโยชน์แก่โลกเพื่ออนุเคราะห์โลกมีบุคคลพวกไหนบ้างพระคุณเจ้า ที่เกิดมาเพื่อประโยชน์โลกเพื่ออนุเคราะห์โลกขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นอกจากพระถถาคตออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแม้พระอรหันตขีนาศสาวกของพระถถาคตพระประเจกับพธเจ้าและพระเจ้าจักรพัฒผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมก็ชื่อว่าเป็นผู้เกิดมาเพื่อประโยชน์แก่โลกเพื่ออนุเคราะห์โลก พระเถระหยุดนิดหนึ่งจอมจั ก, กพัทมีพระพักสดชื่นแยมน้อยๆ อ, อย่างพอพระไทยเพราะฉะนั้นแม้มหาอพิษเองก็ควรจะภาคภูมิพระไทยว่าพระองค์อุบัติมาเพื่อประโยชน์แก่โลกเพื่ออนุเคราะห์โลกหากชีวิตดับสลายแต่เกียรติคุณของพระองค์จะต้องแผ่ภัยสารไปทั่วตามความกว้างยาวของแผ่นดิน ในโลกนี้ส่วนในการปรากฏขึ้นแห่งบุคคลสามจำพวกพระองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งหาได้ยากในโลกสามจำพวกนั้นคือพระตถาคตหนึ่งบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยของพระตถาคตหนึ่งบุคคลผู้กตัญญูกตเวทีหนึ่งพระคุณเจ้าตามข้อสังเกตของข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคาศาสดาแห่งเรา ทรงแสดงอย่างเชื่อมั่นพระไทยเลือกเกินคือจะตรัสสิ่งใดก็ตรัสอย่างแน่ชัดไม่มีคำว่าอาจจะหรือดูเหมือนว่าอย่างนี้เป็นต้นทั้งนี้เพราะเหตุใดขอถวายพระพรเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงพร้อมด้วยเวสารัญชยานสีปสนส่ประการเวสารัญชยานสี่ประการซึ่งทำให้พระองค์ทรงกล้าหาร บัลลือีหนาถามกลางบริษัททุกหมูหลาวเวสารชยานสี่ประการนั้นคือหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงปฏิญญาณว่าจะได้ตรัสรู้พระองค์ก็ได้ตรัสรู้จริงใครๆไม่อาจทักท้วงได้ว่าไม่ได้ตรัสรู้ 2. เมื่อทรงปฏิญญาณว่าสิ้นอาสวะพระองค์ก็สิ้นอาสวะจริงใครๆทักท้วงไม่ได้ 3. ทรงแสดงธรรมใดว่าอันตรายเมื่อใครได้ล่วงละเมิดเข้าเป็นอันตรายจริงๆ 4. ทรงแสดงธรรมใดว่าเป็นประโยชน์ธรรมนั้นก็เป็นประโยชน์จริงแก่ผู้ปฏิบัติตามมหาบอพิตเพราะเหตุนี้แหละพระผู้มีพระภาคจึงทรงเชื่อมั่นพระองค์และคำสอนของพระองค์เมื่อพระธถาคตเกิดขึ้นก็มีสิ่งอัศจรรย์สี่ประการเกิดตามขึ้นมา สิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีก็มีขึ้นคือหนึ่งประชาชนทั้งหลายพอใจในกามคุณยินดีในการมคุณเมื่อพระธถาคตทรงแสดงธรรมอันไม่เกี่ยวด้วยกรรมคุณประชาชนเหล่านั้นก็ยังตั้งใจฟังนี่คือข้อหน้าอัศจรรย์ประการที่หนึ่ง 2. ประชาชนทั้งหลายพอใจในการถือตัวทนงตนยินดีอยู่ในการถือตัวนั้น แต่เมื่อพระตถาคตเจ้าทรงแสดงธรรมและละการถือตัวทนงตนคนทั้งหลายเหล่านั้นก็ตั้งใจฟังนี่คือข้ออัศจรรย์ประการที่สองสประชาชนทั้งหลายพอใจในความวุ่นวายไม่สงบแต่เมื่อพระตถาคตทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบเขาก็ตั้งใจฟังนี่คือข้ออัศจรรย์ประการที่สามสี่ ประชาชนทั้งหลายพอใจในอาวิชายินดีในอวิชาแต่เมื่อพระตถาคตทรงแสดงธทําเพื่อให้ละอาวิชาคนทั้งหลายก็ตั้งใจฟังนี่คือข้ออัศจรนรย์ประการที่4เมื่อตั้งใจฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคย่อมได้สศัตธากุลบุตรผู้มีศัตทธานั้นเมื่อถึงพร้อมได้ลักษณะ3ประการย่อมประสบบุญมากขึ้นถึงพร้อมด้วยศัทธา คือมีศรัทธาเต็มที่สองถึงพร้อมด้วยเทยธรรมคือของที่นำมาทาบุญนั้นเป็นของที่ได้มาโดยสุจริตสามถึงพร้อมด้วยทักกิเนยบุคคลคือผู้รับเทยธรรมเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์หากจะละ ก, กิเลสได้โดยเด็ดขาดทายกก็จะได้บุญมากขึ้นกุลบุตรผู้มีศรัทธานั้น อันบุคคลพึงทราบว่าเขามีศรัทธาด้วยเหตุสามประการคือ 1. ปรารถนาให้ท่านผู้มีศีล 2. ใคร่ต่อการฟังธรรม 3. มไม่ตรหนีพอใจในการบริจาคทำบุญให้ทานมหาบอพิษ ธ, ธรรมวินัยของพระสุคตเจ้านั้นเกิดขึ้นและตั้งอยู่เพื่อประโยชน์แก่ชุมนุมชนแก่โลก เพราะสามารถช่วยบำบัดทุกข์แก่ผู้ถึงทุกข์ระ ง, งับโศกของผู้กำลังโศกระ ง, งับภัยแก่ผู้กำลังมีภยัยผู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือเผยแผ่ให้ธรรมวินัยของพระตถาคตดำรงอยู่จึงชื่อว่ามีส่วนแห่งการบำบัดทุกข์โศกและภัยของโลกมหาบาพิตรควรทรงอนุศน์ถึงพระจริยวัรเรื่องนี้พระองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศ พระพุทธานุศาสนีในที่ต่างๆเป็นการเผยแผ่และอุปถรัรมภ์ให้ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าดำรงอยู่เป็นประโยชน์และความสุขแก่โลกพระองค์เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเป็นอันมากควรจะทรงปราโมทในเรื่องนี้พระราชา ประนมพระหัตขึ้นเหนือพระอุระพระพัก c ายแววแห่งปีติเพราะละลึกถึงพระราชกุศลจริยานั้นพระคุณเจ้ามีวิธีการอย่างไรจึงจะให้คำสอนของพระพุทธเจ้าดำรงอยู่ได้นานสองประโยชน์แก่ชาวโลกทั่วไปมิเพียงแต่บุคคลบางกลุ่มสามคงความบริสุทธิ์อยู่เสมอไม่คลุกคลีด้วยศรัทธาธ ร, รมปะติรู ขอถวายพระพรในข้อหนึ่งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วว่าอะไรทำให้คำสอนของพระองค์ดํารงอยู่ได้นานต้องอันตรธานไปและอะไรทำให้คำสอนของพระองค์ดํารงอยู่นานดังนี้อะไรทำให้คำสอนของพระองค์ดํารงอยู่ไม่นานต้องอันตรธานไปและอะไรทำให้คำสอนของพระองค์ดํารงอยู่ได้นานดังนี้ ภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อความเลื่อนเลือนและความเสื่อมสลายแห่งพระสัตวธรรมธรรมวินัย4ประการนั้นคือภิกษุเรียนสุตันตะคือพุทธพจน์ไม่ดีพยัญชนะตกหล่นเลอะเทอะความหมายเคลื่อนคลาดสองภิกษุทั้งหลายเป็นคนว่ายากสอนยากไม่อดทนที่จะรับอนุสาสนีโดยเคารพ 3. ภิกษุผู้เป็นพระหูโสดทรงธรรมทรงวินยัยไม่บอกสุดตันตะแก่ผู้อื่นโดยเคารพโดยพิดศรเมื่อท่านผู้นั้นล่วงลับไปสุดตันจะขาดศูนย์ไม่มีที่อาศายัย 4. ภิกษุผู้เป็นเถระประพฤติตนเป็นคนมกักมากโอ้อวดเป็นตัวอย่างทางไม่ดีทอดทุรนในความวิเวกไม่สนใจในวิเวก ไม่ทำให้ความเพียรเพื่อบรรลุธรรมอันยังไม่ได้บรรลุเมื่อเป็นดังนี้ปัดชิมมาชนตาชนคนเกิดภายหลังถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างประพฤติตนเช่นนั้นบ้างนี่คือทำสี่ประการเป็นไปเพื่อความเลิ่อเลื่อนเพื่อความเสื่อมอันตรทานแห่งพระสัทธรรมส่วนมูลเหตุให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้ยั่งยืนนาน ก็มีในตรงกันข้ามกับสาเหตุให้พระสัตยธรรมเสื่อมอันตรทานพระกุณเจ้าบุคคลทำความดีเพื่ออะไรขอถวายพระพรคนทำความดีเพราะปรารถนาเหตุหลายอย่างแต่ที่ดีที่สุดคือทำความดีเพื่อความดีประพฤติทธรรมเพื่อรักษาธรรมไว้เพื่อให้ธรรมอยู่คุ้มครองโลกต่อไปมหาบอพิษอธิปไตยสาม อันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายอธิปไตยมีสามอย่างคืออัตตาธิปไตหนึ่งโลกาธิปไตหนึ่งธรรมมาธิปไตหนึ่งภิกษุทั้งหลายอัตตาธิปไตยคืออย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่ในที่ห่างไกลจากบ้านเรือนก็ดี ปรารบว่าเราออกบวชมิใช่เพราะมุ่งหวังปัจใจสี่หรือเพื่อความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เพราะปรารบว่าเราแลถูกความเกิดความแก่ความตายและทุกนานาประการท่วมทับแล้วชไหนหนอจะทาลายกองทุกเสียได้ภิกษุปรารถนาตนเองเช่นนี้แล้วละอกุศลบาเพ็ญกุศ ล, ละธรรมละธรรมที่มีโทษ อบรมธรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่อย่างนี้เรียกว่าอัตาตาทิปไตยส่วนภิกษุผู้พิจารณาวาโลกสันนิวาตนี้กว้างใหญ่และในโลกสันนิวาตอันกว้างใหญ่นี้สมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ได้ทิพจักสุรู้จิตใจของผู้อื่นก็มีอยู่มากเทวดาผู้มีฤทธิ์ได้ทิพจักสุเป็นต้นก็มีอยู่ หากเราประพฤติตนเกลือกกลัวด้วยอนาคาริกมุนีแล้วยังเกลือกกลัวด้วยอากุศลธรรมเมื่อภิกษุปรารกเช่นนี้แล้วละอากุศลธรรมประพฤติอบรมกุศลธรรมอย่างนี่วเรียกว่าโลกาทิปไะตยส่วนภิกษุผู้ปรารกว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วมีผลในปัจจุบันให้ผลทุกการทุกสมัย เราบวชแล้วในธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนั้นไม่ควรเป็นผู้เกียจคร้านไม่ควรอยู่ด้วยความประมาทจึงปรารบความเพียรละกุศลธรรมอบรมกุศลธรรมอย่างนี้เรียกว่าธรรมมาธิปไตยัยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปว่าความลับของผู้ทำบาปในโลกนี้ไม่มี ตนเองนั่นแหละย่อมรู้ดีความเป็นจริงหรือความเท็จตนเองย่อมเป็นพยานของตนเองผู้ที่ปกปิดบาปอันมีในตนแม้ปกปิดเพียงใดเทวดาและพระตถาคตหรือสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธ์ก็ย่อมเห็นว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนพาลประพฤติอกุศลธรรมสรุปให้สั้นว่าปรารบตนแล้วเว้นชั่วประพฤติดี เป็นอัตตาธิปไตยปรารบสมณพราหมู่ผู้มีฤทธิ์ในโล ก, แ ล, โล ก, รรกแล้วเว้นชั่วประพฤติดีเป็นโลกาทิปไตยปรารกธรรมแล้วเว้นชั่วประพฤติดีเป็นธรรมาธิปไตย